เพ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เพื่อฟังธรรมการฟังธรรมก็คือฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า กชี้เข้ามาที่ตัวของคนเรานี่แหละแต่ละคนไม่ได้ชี้ไปในที่อื่นชี้ให้มากรวดดูตัวของตัวเอง <c oughs> ยังโบราณท่านว่าไว้ไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่ง <c oughs> ไก่ตัวใดถ้าหาว่าขนมันไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็ว่าไก่นั้นไม่สวยไม่งามถ้าไก่ตัวใดขนมันดกดีและมันเรียบราบดีเขาว่าไก่ตัวนั้นสวยงาม <c oughs> คนเราก็เหมือนกันแหละ พูดถึงการตกแต่งร่างกายภายนอกนี่ถ้าหากว่าบางคนเน่ะแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยดีแล้วก็ซุรุ่ยสุร่ายอะไรเป็นทำนองนั้นใครเห็นก็บอกว่าไม่สวยไม่งามถ้าคนใดแต่งตัวเรียบเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ถึงแม้จะรูปร่างหรือสัดส่วนไม่ค่อยสวยงามเท่าไรแต่คนก็ยังชมว่างามเพราะการตกแต่งอันนี้คืาเรียก ว, ว่างามภายนอกแต่คนส่วนมากก็มักจะตกแต่งตั้งแต่ร่างกายเนี่ยให้สวยให้งาม แต่ไม่ชอบตกแต่งความประพฤติทางกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้ตรงต่อศีลต่อธรรม <c oughs> ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมันรู้อำนาจแ ก, ก่กิเลสไม่ไม่สนใจว่าจะละกิเลสกิเลสมันจูงใจให้ทำอย่างไรก็ทำไปตามมัน กิเลสมันจูงใจให้พูดอย่างไรก็พูดไปตามมั น, นเหตุที่คนเราจะไม่ไม่ชอบประพฤต์กายวาชาใจของตนให้เรียบร้อยท้อสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เหตุที่สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็เพราะขาด การสังคมกำนักปราบบัณฑิตขาดการฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาแต่ความรู้ความเห็นธรรมดาสามัญของตนโดยส่วนเดียวเป็นเครื่องดำเนินชีวิตตนเห็นอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นไม่คำนึงถึงว่า มันเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่ว่าอย่างนี้แหละคนเราที่จะทำตนให้เป็นคนดีไม่ได้ในโลกนี้นะมันก็เพราะว่าทำอะไรเอาตามใจตัวเองว่าใจตัวเองก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาสุดแล้วแต่มันจูงไปอย่างไรก็ไปตามมันไม่ทวนกระแสมันเลย ดังนั้น <c oughs> การแสดงธรรมนี่ก็มุ่งหมายเพื่อจะชักชวนพุทธศาสนกชนทั้งหลายให้มาเอาศีลเอาธรรมเนี่ยเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรที่จะไป หาทางประดับประดาตั้งแต่ร่างกายภายนอกด้วยเครื่องประดับอันมีค่าต่างๆนา น, นาอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นความสวยงามชั่วคราวหนึ่งไม่มั่นคงถาวร อ, อะไรเลยมนำไม่ทำมันยังเป็นภัยต่อตัวเองผูได้ใส่แหวนเพชรตุ่มหูสายสร้อย นาฬิกาข้อราคาเป็นแสนแสนขึ้นไปขโมยมันเห็นเข้าก็น้ำลายไหลมันก็วางแผนจี้ปล้นเอาถ้าขัดคืนมันก็ฆ่าให้ตายแล้วก็ลอกคาบเอาไปอย่างนี้มีอยู่ทั้งไปขณะคนเรานั้นไปตกแต่งร่างกายภายนอกไม่รู้จักประมาณไม่นึกถึงภัยอันตรายเอาแต ความสวยงามเขาว่าอวดกันถ้าผู้ใดมีเครื่องประดับตกแต่งสวยงามราคาแพงๆเนี่ยคนทั้งหลายจะมองว่าเจ้านี่เป็นเศรษฐีเป็นคนรวยอยากจะให้เขาชมว่าตนเป็นคนรวยเพียงแค่นั้นเนี่ยหลงกันจริงๆคนเราหลงเอาจนเราเอาชีวิตไปทิ้ง เพราะเครื่องประดับนั่นก็มีอยู่มากมายเนืงนั้นเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายจึงไม่ควรเห่อเหอมิมกับเครื่องประดับภายนอกนั่นเกินไปควรเอาศีลเอาธรรมนี่มาประดับกายวาจาใจของตนนี่เนี่ยให้มันดีงามขึ้นไปศีลธรรมนี่ทําบุคคลให้สวยให้งาม ไปทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานนู่นขออาศัยศีลธรรมนี่เองเนี่ยบุคคลจะพ้นทุกพ้นภัยไปได้ดังนั้น <c oughs> เครื่องประดับคือศีลธรรมนี่นะตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมโจนก็นลักเอาไปไม่ได้เพราะว่าเป็นสมบัติ ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างอะไรทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความประเพฤติทางกายวาจาเรียบร้อยดีมเมื่อใจของผู้นั้นมีสินมีธรรมอยู่ภายในสม่ำเ ส, สมอไปสเส้นนี้นี่มันก็ปลอดภัยชีวิต จะไปที่ไหนๆก็ไม่มีใครรังเกียจ ร, รังแก่ไม่มีใครจะไปจี้ไปพร้นเอาสิ่งของอะไรคนว่าคนเราเนี่ยถ้ามีศีลธรรมประดับกายวาจาใจอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชอบอยากจะใส่เครื่องประดับภายนอกเท่าไรหรอกก็มองเห็นว่าเครื่องประดับภายนอกนั้น ไม่จีรังยั่งยืนอะไรและทั้งเป็นภัยต่อชีวิตอีกด้วย <c oughs> แล้วก็ไม่เป็นหนทางพ้นทุกไปได้มันเป็น เ, เพียงว่าเอาอวดอ้างกันชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเครื่องประดับภายนอกเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลกันให้มากมันเป็นภัยต่อชีวิต เรามารักษาชีวิตไว้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในตนดีกว่าที่จะมาล้มมาตายเพราะเครื่องประดับเพราะความประพฤติที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมเหล่านั้นน่ะมันน่าเสียดายชีวิตเหลือเกินเพราะกลัวจะได้เกิดมาเป็นคนแต่ละชาตินี่ไม่ง่ายนัก แต่ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมนะที่่าหายากนี่นะแต่คนที่บกพร่องคุณสมบัตินี่หาได้ง่ายเยอะแยะในโลกอันนี้นะคนที่บกพร่องในคุณสมบัติอันดีงามนี่แหละมันรบ ก, กวนโลกอันนี้ให้วุ่นวายเดือดร้อนกันอยู่นี่นะอืม ทีนีผู้ใดเป็นผู้เกิดมาแล้วมีนิสัยใจคอดีเป็นผู้อยากมีชีวิตก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้ในหายากมีน้อยเต็มทีนี่ดังนั้นถ้าผู้ใดนึกถึงตัวเองว่าตนเองก็อยู่ในข่ายนี้ก็สมควรที่จะ สงวนตัวเองไว้ให้มากอืสงวนความประพฤติอันดีงามของตนไว้ให้ดีรักษาความดีของตนไว้เหมือนกับเกลือมันรักษาความเค็มไว้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเปรียบเทียบนะอืเกลือนี่เนี่ยจะไปตกลงไปดินมันก็ไปเค็มอยู่ที่ดินนั่นแหละตกลงน้ํามันก็เค็มอยู่ในน้ํา มันก็รักษาความเค็มของมันอยู่อย่างนั้นงันคนเราก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจะทุกทุกได้ยากลำบากอย่างไรก็ไม่ทิ้งความดีบางคนเมื่อทำมาหาเลี้ยงชี่ไปไ ป, ไปแล้วบางทีก็ทำการค้าขายขาดทุนลงบ้างอะไร บางคนก็ไปเล่นการพ น, นันหมดเงินหมดทองเข้าไปแล้ววันนี้ก็ไปส่องสมกันเป็นโจรใน ว, วันนี้หาทางกี้ปล้นเอาเงินทองเข้าของผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนยากแสนลำบากนั้นตัวก็ไปปล้นเอาไปใช้สอยตามสบายสบายสี่ง อ, อย่างนี้นะเนี่ยคนเรานะ่ะ มันรักษาความดีของตนให้สม่ำเสมอไปไม่ได้มันมองเห็นแต่วัตถุภายนอกนั่นเราเป็นความดีเราผูใ้ใดมีเงินมากๆเราผู้นั้นเป็นคนดีมันมองเห็นตั้งแต่วัตถุภายนอกว่าเป็นของดีวิเศษมองไม่เห็นความดีภายในคือบุญกุศลหรือสติปัญญาหรือความบริสุทธ ได้อันที่ผู้ใดเว้นจากบาป อ, อกุศลต่างๆไปได้ผู้นั้นท่านว่าเป็นผู้มีทรัพย์ภายในอันประเสริฐแต่คนส่วนมากนะมันมันไม่ปรารถนาทรัพย์ภายในอย่างว่านี่นะปรารถนาแต่ทรัพย์ภายนอกคือเงินทองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ยินดีที่จะละเว้น จากบาปอากุศลต่างๆมีแต่สะสมบาปอากุศลเรื่อยไปดังนั้นจึงขาดทรัพย์ภายในอันประเสริฐคือหินีอดตปธรรมเหนือนี้ขันติความอดทนมันก็ขาดเมื่อขาดความอดทนแล้วมันก็โสระจะความสงบสงเยี่ยมก็ขาดไป แสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆนั้นนะออกไปหมูนี่นะเนี่ยเรียกว่ามั น, มนขาดซับภายในแล้วคนเรานี่ไม่น่าดูน่าแรเลยอืมคนเราที่จะน่าดูน่าแรงน่าคบหาสมาคมกันอยู่นี่ก็เพราะเหตุว่ามันมีซับภายในคือคุณธรรมทางสังดังกล่ามานี่เองเยอยู่ในใจ ผู้นั้นพยายามละบาปออกจากกายวาจาใจเสมอๆถ้าบางคนนะ่ะมันจะละปุ๊บปั๊บเอาทีเดียวให้หมดไปเลยไม่ได้ก็เพียรพยายามละไปทีละน้อยละน้อยไปมันก็ค่อยหมดไปหมดไปนี่สำหรับผู้ที่เห็นคุณธรรมภายในว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐแล้ว มันก็ไม่ถอยเพราะว่าการที่บุคคลเราจะได้ทรบภายในอันประเสริฐอย่างว่านี้นะมันก็ชำระสิ่งที่มันไม่เป็นมงคล น, นั่นออกจากจิตใจซะก่อนชำระบาปอากุศลอันทาใจให้เศร้าหมองขุนมัวออกไปจากจิตซะก่อนบัดนีเ้เมื่อจิตเบิกบานผ่องใสไม่มีบาปมาครอบงมแล้ว การแสดงกิริยาอาการในออกมาทางกายทางวาจานี่มันก็เป็นกายอันสะอาดวาจาอันสะอาดน่ายินดีน่าเรื่อมใสน่าพอใจของบุคคลผู้ได้พบเห็นผู้ได้ยินได้ฟังคำพูดคำจานี่คนทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนงามในโลกหรือว่านักปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะทรงยกย่องว่าเป็นคนงามอพระองค์ไม่ ไ, ไม่ได้ยกย่องบุคคลผู้มีเครื่องประดับอันของมีค่ามากมายหรูหรานั้นว่าเป็นคนสวยงามสมบูรณ์แบบพ ร, พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกย่องเลยแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามตามสมมุติของโลกนั้น ก็ทรงยอมรับทรงยอมรับเหมือนกันแหละรับว่าสวยงามแต่แต่มันก็สวยงามอยู่ชั่วคราวอย่างว่ามานั้นนะส่วนคุณธรรมความดีต่างๆนี่นะมันทำให้คนเราสวยงามไปจนตลอดชีวิตละโลกนี้ไปแล้วก็ยังไปงามอยู่ในโลกอื่นนู่นถ้าบุคคลยังไม่บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์คือผนิพาน เอ้งามในมนุษย์นี่แล้วละละโลกจา ก, กมนุษย์นี้ไปก็ไปงามบนสวรรค์ออีกกลับจากสวรรค์มาเกิดในมนุษย์โลกนี่ก็มางามอยู่ในมนุษย์โลกนี้อีกคนมีศีล ร, รมเป็นเครื่องประดับตัวนะออจะเป็นคนงามอยู่เรื่อยไปอืม ขอให้พากันพิจารณาให้ดีความงามอันนี้นะ่มันอำนวยความสุขความสบายใจให้สม่ำเสมอไปความทุกข์ใจต่างๆในน้อยเบาบางเต็มทีธรรมดาบุคคลผู้มีคุณธรรมเส้นผู้มีความอดทนอยู่ในใจอย่างนี้นะอดทนทาความดี อดทนละความชั่วออกไปเช่นนีนะ้เมื่อความชั่วมันห่างออกไปจากกายวาจาใจแล้วความดีมันก็เจริญขึ้นเมื่อความดีเจริญขึ้นแล้วใจก็หนักแน่นนะใจก็เป็นสมาธิอนั่นเันเนวิวาสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นตั้งมั่นต่ออะไรตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศล ใจเป็นสมาธินี่นหมายความว่าใจชอบแต่บุญกุศลไม่ชอบบาป พ, พูดกันอย่างง่ายง่ายเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ที่ไม่มีสมาธิสมาธิจิตอยู่ในใจนนเดี๋ยวก็ยินดีไปในบุญกุศลไปๆหนยก็ยินพอใจไปในทางบาปอากุศลไม่แน่นอนคนไม่มีสมาธิ ถ้ามีเหตุจูงใจให้ยินดีไปในบาปก็ทำบาปไปได้เป็นอย่างนั้นถ้ามีเหตุจูงใจให้ไปทำบุญก็ทำบุญไปนี่ได้ว่าจิตของคนธรรมดาสามัญไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อชี้แจงเหตุผล ของการตกแต่งกายวาจาใจของตนมาถึงตรงสมาธินี่นะผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเห็นได้แล้วว่าการฝึกขนทำใจให้สงบตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลนี่นะจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราทุกคนเลยเพราะต่างคน ต, งต่างต้องการความสุขสม่ำเสมอไป ไม่ต้องการอยากให้มีความทุกข์มาแทรกแซงใจเลยอยากให้ใจนั้นมีความสุขสบายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนการที่ใจมันจะสุขสบายอย่างนั้นสม่ำเสมอไปได้ก็เพราะว่ารักษาใจนะให้มั่นอยู่ในบุญกุศลความดีไม่ให้ใจมันเอียงไปในทางชั่วนั่นเองนะเช่นไม่ให้ใจมันคิดโลกขึ้นมาไม่ให้ใจมันคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมา ในใจมันคิดหลงมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรในโลกนี้นี่เช่นเรื่องมัวเมาต่างๆนี่มันเป็นความหลงทั้งนั้นเลยเมาในวัยเด็กวัยเล็กเมาเล่นเมาหัวเมากินเมานอนเมาในวัยหนุ่มวัยสาว นี่เมาในความรักความใคร่ความสนุกสนานต่างๆจนเป็นเหตุให้ทำบุญกุศลคุณงามความดีไม่ได้เพราะความเมาเหล่านี้อ้าวเมาในวัยกลางคนเมื่อมีครอบครัวตัวเรือนมาแล้วก็เมาในการในงานเมาในความได้ความเสีย หวังที่จ ะ, ะสเสแวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรขึ้นมาอาศัยความเมาในความเป็นอยู่เป็นไปของชีวิตอย่างนี้แหละในัยกลางคนบางคนน่ะแท่ไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรเลย ม่แต่จิตใจฝักไฟไปตั้งแต่ซับภายนอกไม่คิดที่จะสะสมซับภายในคือบุญกุศลหรือสติปัญญาในทางทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่างนี้นี่มันก็น่าเสียดายเพราะว่ากลัวจะได้เกิดมาเป็นคนอย่างที่ว่านั่นแหละต้องอาศัยสร้างบุญกุศล ทำความดีมาติดชาติปางก่อนนู่นมากพอสมควรทีเดียวบุญกุศลนั้นจึงนำมาเกิดเป็นคนขึ้นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดีเอาขอบุญกุศลตกแต่งให้ได้สมบูรณ์มาอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่มันทำบุญตอบอันนี้นะถ้าไปทำบาปบ้างทำบุญบ้าง ทำบุญก็ทำไม่จริงไม่จังทำตามประเพณีเดือนทีปีหนจึงเข้าวัดสักบาทสักทีหนึ่งอะไรหมนี้นะอ่ก็ทำไปอย่างนั้นนะคราวนี้แสดงว่าบุคคลผู้หลงผู้เมาในวัยของชีวิตอย่างว่านี่นะมันก็ทำบุญกุศลไม่ได้มากเลยโมนี้ Ừ, เมื่อคนเราเนี่ยทำบุญน้อยมันก็จ้องจำเป็นเอาไปทำบาปมากนี่มันเป็นธรรมดานะบาปบาปกระบุญนี่นะมันเป็นคู่แข่งกันนะถ้าบุญมันอ่อนกำลังลงบาปมันก็แซงขึ้นหน้าอืมเป็นอย่างนั้นคราวนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วชีวิตของโมระก็ตจกต่ำก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของบาปอากุศล สุดแล้วแต่บาป ก, กรรมมันจะพาไปไหนบ้นี้ก็ชีวิตลดาตกต่ำแล้วบัานี้กัวจะได้เกิดมาเป็นคนอีกนี่ไม่ทราบว่านานเท่าไรแล้วต้องไปเสวยวิบา ก, กรรมต้องไปเสวยผลแห่งบาป ก, กรรมที่ตนทาแต่เป็นมนุษย์เนี่ยเว้านานแสนนานกัวจะพ้นจากวิบา ก, กรรมานั้นมา มาสวยผลบุญที่ตนทำไว้เพียงเล็กน้อยนี้เอาเกิดมาก็เป็นคนขี่กระจอกงอกง่อยเพราะว่าบุญน้อยนี้มีอ ว, วัยวะร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างคนทั่วๆไปผู้เช่นนั้นไม่มีทางจะทำความดีอะไรได้เลยนี่แหละขอให้พากันคิดพิจารณาดูดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี่นะ มันจึงมีชีวิตเป็นอยู่แตกต่างกันนี่นะเพราะเกี่ยวแก่กรรมนี่แหละคือการกระทอการกระทานี่มันแตกต่างกันอย่างที่บรรยายฟังมานี่แหละผู้ใดได้ยินได้ฟังทำแนะนำอย่างนี้แล้วนะก็ขอให้ตื่นตัวกันมามองดูร่างกายสังขารอันนี้เออนี่บุญแต่งแต้แต่ชาติก่อนเราต้องได้ทำบุญมามากแน่ ก็จะได้ร่างกายสมบูรณ์มาอย่างนี้อย่างนี้เอาตอนนี้ไปแล้วเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปเสียเปล่าเราจะมีสติสัมปชัญญะประคับประคองกายวาจาใจนี้ให้ทำความดีเรื่อยไปสิ่งใดเป็นความทั่วเราเราจะเว้นเราจะพยายามละเว้นให้อ่างไกลอามีกายมาแล้วก็กายในใชัยมันทำงานลงไป เมื่อทำการทำงานไปแล้วก็ได้เงินทองมาเมื่อได้เงินทองมาแล้วก็แบ่งไว้เลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขบ้าง <c oughs> เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขบ้างนั่นแหและแล้วทำบุญอุทิศให้แกเปรตาติทั้งหลายบ้าง <c oughs> <c oughs> เสียภาษีอากรให้แก ร, รัดบ้าง ถวายทานในพระพุทธศาสนาบ้างได้แก่ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนี่บุคคลผู้ที่คิดถึงตนได้นะนี่พูดถึงผู้ครองเรือนนะ่ะคิดถึงตนได้รู้ว่าตนได้อัตภาพนี่มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนจริงจังอย่างที่ว่านั่นเนี่ยมาชาตินี้ก็ รู้จักแบ่งสรรปันส่วนส่วนเงินทองเข้าของที่หาได้มานั้นใช้ใจ่ายให้มันเกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ดังที่นํามาสแสดงนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดเหนือคนในโลกออพระองค์สอนให้พุทธบริษัท ให้รู้จักทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นหมายความว่าอย่างนั้นแหละแม้แสวงหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของมาได้มาแล้วก็ไม่ควรที่จะหวงแหนไว้บริโภคแต่เฉพาะตัวผู้เดียวมันต้องนึกถึงบุคคลอื่นด้วยเพราะเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่ได้ต้องเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่มานดาบิดาลุงฟ้าน้าอาพี่ชายพี่สาวมูรีร่วนตั้งแต่ได้ดูแลช่วยมานดาบิดาประคับประคองชีวิตของตนนะ่ะก็จึงเจริญไว้ใหญ่โตมาได้และนอกจากนี้ก็ยังเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันอีกเป็นเพื่อนบ้านเขา ถ้าไปเห็นเด็กกิ่นเล็กอะไรที่มันจะไปเที่ยวซุกซนมันจะเป็นอันตรายอย่างนี้ใครเห็นเขาแล้วเอ็นดูเขาก็ช่วยประคับประคองเด็กนั้นเอาไปส่งพ่อแม่เขาอะไรหมอนี่นะนั่นแหละชาวบ้านซึ่งไ่ใส่วงสาคนายาตเขาก็มีคุณมีโนต่อคนเรานี่นะไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี่ยเพราะเกิดมาทีแรกมันยังไม่รู้เรียงสาอะไรอะ่ะ อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่รู้เดียงสาแล้วได้ช่วยประครับประคองชีวิตนี้ให้เจริญไว้ใหญ่โตปราศจากภัยอันตรายต่างๆมาได้เราคิดดูนี่แหละการเกิดมาเป็นคนในโลกนี่นะมันอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างกวัวว่ามันจะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ดังนั้นผู้ใดเมื่อ หากเป็นผู้ประมาทไม่นึกถึงชีวิตของตนให้เห็นแจ้งในเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามเป็นจริงผู้นั้นก็จะไม่รู้สึกนึกคิดว่าตนได้เป็นหนี้บุญหนี้คุณของผู้อื่นอยู่แต่ถ้าได้คิดได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนดังที่แสดงมาแล้วนี่เนะี่ยก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนี่นะ เราเป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านผู้อื่นอยู่มากมายทางที่จะเพื้องหนี้ออกจากตนได้ก็ได้แก่การที่เราพยายามทําความดีละความชั่วออกจากกายวาจาใจทําความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้วอุทิศส่วนผลแห่งความดีอันนี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้อุปการะเกื้อกูลตนมา ให้ท่านเหล่านั้นได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลอันนี้นะขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เหลพูดกันโดยรวบลัดเรียกว่าเราเกิดมาทำความดีเมื่อเพื่ อ, อใช้ใช้หนี้ของโลกเรามาเป็นหนี้โลกอันนี้อยูอ่เมื่อเราละกิเลสตัณหาอาสวะให้หมดสิ้นไปแล้ว เราก็หมดนี่หมดสินจากโรคสนิวาตอันนี้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้